คำว่าความเกิดแก่เจ็บตายซึ่งมีอยู่ทุกตัวสัตว์และบุคคล ร, รู้เห็นเห็นกันอยู่อย่างเปิดเผยนี้มีสาเหตุเป็นมาจากใจเป็นตัวแกนสาคัญซึ่งเป็นที่สังจมอยู่แห่งเชื่อที่จะพาให้เกิดแก่เจ็บตายมีใจดวงเดียวเท่านั้น เป็นผู้รับเชื้อเหล่านี้ไว้เมื่อเชื้ออันเป็นสาเหตุที่จะพาให้เกิดมีสัตว์โลกทุกตัวทุกรายจะไม่เกิดไม่ได้ต้องเกิดเพราะเชื้อบังคับให้เกิดการที่จะเกิดเป็นดีและชั่วต่างๆนั้นเป็นวิบาก คือผลที่เกิดขึ้นจากการทำดีทำชั่วของตอนพาให้เป็นไปต่างๆกันแต่หลักใหญ่ก็คือจิตเป็นแกนอันสำคัญที่จะให้เชื่อฝังจมอยู่ได้หรือแทรกอยู่ได้มีใจเท่านั้นสิ่งที่กล่าวว่าความเกิดแก่เจตายนี้ ไม่ได้เป็นของลี้ลับเห็นการดูทุกตัวสัตว์ตัวบุคคลแม้แต่สัตว์วิรจฉานเขายัางกลัวเรื่องความตายเพราะรู้เพราะเขารู้แต่รู้เพียงผลของมันเท่านั้นสารโลกไม่สามารถที่จะรู้สาเหตุและลาละสาเหตุถอดถอนสาเหตุ แห่งความเกิดแก่จบตายอันเป็นที่หมุนมาแห่งความทุกข์ทั้งหลายสัตโลกทั้งหลายไม่รู้จึงต้องพากันเยียนว่ายตายเกิดไม่ว่าสถานที่เกิดกำเนิดที่อยู่จะเป็นเช่นไรเจ้าของบ่งการหรือบังคับบัญชาเอาตามต้องการไม่ได้ ย่อมเป็นไปตามหลักแห่งวิบากอันมีเชื้อพาให้เกิดเป็นเครื่องปลักใสออกมาแล้วก็ให้ไ่เกิดในที่สูงสูงต่าง่ำรุ่มรุ่มดอนๆด้วยเหตุนี้พบแห่งสัตว์ในสามแดนโลกธาตุนี้จึงไม่มีที่ว่างว่าสัตว์ทั้งหลายเกิดไม่ได้ตายไม่ได้เกิดได้ต้องตายได้ด้วยกัน มีอยู่ทุกแห่งผลเป็นแต่เพียงว่าหยาบละเอียดต่างกันเท่านั้นในพบชาติของสัตว์แต่ละ ช, ชั้นละผุงไม่เหมือนกันเมื่อรวมแล้วก็คือความเกิดจากนั้นก็คือความตายไปด้วยกันความที่มีพบชาติอันยาบละเอียดก็เพราะอำนาจแห่งวิบัติ ของจิตแต่และดวงละดวงไม่เหมือนกันจึงต้องให้เป็นเช่นนั้นหพบหยาบๆอย่างที่เราเห็นนี่ก็เช่นสัตว์เช่นบุคคลที่มองเห็นกันด้วยตานเนื้อนี้เป็นพบที่หยาพบที่ละเอียดยิ่งกว่าตานเนื้อนี้แต่ยังเป็นนิสัยของกล้องที่จะสองเช่นกล้องจุลทรรศมองเห็นได้เช่นเชื่อโรคอย่างนี้เป็นต้น ก็ยังเป็นวิสัยของตาที่จะพอได้ดูได้แต่ที่ละเอียดยิ่งกว่านั้นซึ่งไม่ปรากฏร่างเลยนี่ไม่สามารถจะรู้ได้เห็นได้ทั้งๆที่พบนั้นๆประเภทนั้นๆมีอยู่เต็มโลกสงสารเช่นเดียวกับความเกิดความเป็นอยู่ของสัตว์ที่มีร่างกายอันหยาบนี้ สิ่งที่พาให้สัตว์โลกเป็นดังที่กล่าวมันทั้งส่วนหยาดส่วนกลางส่วนละเอียดเป็นไปจากเชื้อที่ฝังอยู่ภายใ น, ในใจิตใจใจยิงเป็นเหมือนกับเครื่องมือของสิ่งนั้นผักไสให้เป็นอย่างไรก็เป็นไปตามทั้งๆ ท, ที่ใจนั้นไม่เคยตาย แต่คำว่าเกิดว่าตายนั้นอาศัยร่างที่เข้าไปเกี่ยวข้องเท่านั้นหากได้หมุนไปหมุนมาอยู่เช่นนั้นเพราะอานาจแห่งวิบากทักษิณพายเป็นไปโดยอาศัยเชื้อพายเกิดเป็นสำคัญอันดับแรกแล้วการท่องเที่ยวด้วยความเกิดความแก่ก็เท่ากับการแบกหามความทุกข์ควลบาก ไปด้วยกันในทบนั้นๆโดยแยกกันไม่ออกภพหยาบก็ทุกข์มากภพละเอียดก็ทุกข์น้อยลงไปถ้าเป็นภพที่มีบุแต่ภพละเอียดที่เป็นบาปก็ทุกข์มากยิ่งกว่าร่างกายที่เป็นบาปอีกเช่นสัตว์นรกเป็นต้นเรามองไม่เห็นแต่สัตนรกเป็นสัตว์นรกสัตว์นกรับทุกข์สัตว์นรกยอมรับว่าเป็นทุกข์ หากมองไม่เห็นสำหรับผู้ไม่เป็นไม่เรียกว่าละเอียดบาปก็ละเอียดบุญก็ละเอียดไปตามส่วนของบาปบุญมีใจเท่านั้นเป็นผู้จะรับสัมผัสสิ่งเหล่านี้ได้ตาหูจมูกดูได้ฟังได้ตามวิสัยของตน แต่ไม่สามารถจะทราบสิ่งที่สุดวิสัยของตาหูจมูกเลี้ยงกายไปได้นอกจากใจเพียงดวงเดียวได้จึงเป็นสิ่งสําคัญมากที่กล่าวเบื้องต้นยกความเกิดแจ่เจ็บตายขึ้นมาที่เป็นอยู่ในสัตว์โลกทั่วๆไปเห็นได้อย่างชัดเจนแต่แต่โลกมองเห็นแต่ผลที่เป็นตัววิบากขึ้นมาแล้วไม่สามารถจะทราบเหตุแห่งวิบาก และเชื้อแห่งนี้บาปนั้นคืออะไรได้จึงต้องอาศัยหลักธรรมของพระพุทธเจ้าเป็นเครื่องพิสูตรยืนยันกันหากไม่ใช่ทาแล้วไม่มีสิ่งใดที่จะพิสูนรสิ่งที่ลึกลับสำหรับวิสัยของคนสามัญทั่วไปให้รู้ได้เห็นได้จึงต้องอาศัยหลักธรรมเป็นเครื่องพิสูน์พระพุทธเจ้าเ็าทรงแสดงให้ทราบมาอย่างชัดเจนแล้วดังมีในต ำ, ตำลักตารา พวกเราเรียนกันซามากมายไกลก่อนเรียนเอาแต่ชื่อแต่นามของสิ่งเหล่านี้หากไม่สามารถที่จะรู้สิ่งเหล่านี้หรือไม่สนใจจกแก้จะถอดถอนสิ่งนี้ตามอุบายแห่งธรรมที่พระองค์ทรงสอนไว้นั้นก็มีจุจํานวนมากนี่เรามุ่งหน้ามาประพฤติปฏิบัติเพื่อจะกําจัดสิ่งที่เป็นภยัยอันเป็นต้นเหตุให้ได้รับความทุกข์ความลาบาก พาให้หมุนเยียนเปลี่ยนแปลงเกิดแก่เกิดตาให้ออกจากจิตใจได้เจนต้องอาศัยการปฏิบัติซึ่งเป็นหลักอันถูกต้องลีงามในการพิสูจน์ความจริงโดยแท้ไม่มีวิธีการใดที่จะยิ่งไปกว่าภารปฏิบัติทำเช่นจิตภาวนาเป็นสำคัญเพราะการพิจารณาทางด้านจิตภาวนานี้เป็นพิจารณาเข้าถึงความจริงเข้าหาความจริงสามาตั้งแต่ ยอดมันจนมาะทั่งลงถึงต้นแล้วลงถึงรากแก้วรากฝอยไปหมดก็ได้แก่ยิตตะพวนาทีแรกก็กว้างขวางที่นาตามโลกการสงสารเรื่องอนิจจังทุกขังอนาตาัตตาประมวลเข้ามาก็เป็นเช่นเดียวกับร่างกายของเราซึ่งเป็นอยู่เวลานี้ไม่ว่าขันใดมันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเสมอกันหมดขันนอก ก็เหมือนกันขันในนเหมือนกันทั่วแดนโลกธาตุนี้มีสภาพเป็นอย่างเดียวกันเมื่อพิจารณาประมวลเข้ามาก็มาได้แบบฉบับอันเดียวกันกันกบธาตุขันและจิตใจของเหล่านี้การพิจารณาเพื่อจิตให้รู้แจ้งเห็นจริงในสิ่งที่ควรรู้ควรเห็นตามหลักความจริงทั้งหลายจึงต้องอาศัยยิฐารนาเป็นสำคัญ ไมรักไม่ชัง ด, ดับดับหนจิต <c oughs> โดยหลักธรรมชาติไม่มีรักมีชังมีเกลียดมีโกรธ มีแต่รู้ร้นล้วนที่รักที่ชังนั่นเป็นสิ่งที่แฝงขึ้นขับจิตความแฝงนั้นท่านให้ชื่อว่าสิ่งที่ปลอมไม่ใช่ของจริงคือจิตแท้ตามปกติของจิตก็ไม่อยากรั ก, ไ ม, ก, ไ, มกไม่อยากกชังไม่อยากเกลียดไม่อยากโกรธ หากได้รักให้ชังได้เกลียดได้โกรธเพราะสิ่งที่พาให้รักให้ชังให้เกลียดให้โกรธมีอยู่ภายในใจสิ่งเหล่านี้เมื่อปรากฏขึ้นมาจะทําจิตให้ผิดปกติจากสภาพเดิมของตนความรักก็เป็นความต่อเพื่อิตกวนจิตความชังความเกลียดความโกรธล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่ก่อควาจิตให้ผิดจากปกติเดิมของตน ด, ด้วยเหตุนี้ท่านจึง ต้องชำละและสอนให้ชำละาะสิ่งนี้ทากิจให้ไหวอยู่เสมอไม่เป็นปกติถ้าเป็นน้ำก็ถูกกวนหาความสงบหาความนิ่งหาความใสไม่ได้เพราะสุกรกถูกรบ ก, กวนเสมอจิตใจที่หาความสงบเย็นเป็นของตัวไม่ได้ก็เพราะถูกกวนจากความรัก ความชังความเกลียดความโกรธและการส่ะแสแงหาสิ่งเหล่านี้จากความผลักดันภายในจิตให้เป็นไปอยู่สม่ำยะโดยสม่ำเสมอไม่ขาดวักขาดตอนจิตจึงเป็นเจ้าเรื่องทั้งทั้งจิตนั้นไม่ต้องการเป็นเจ้าเรื่องแต่สิ่งที่มาเครือบแฝงจิตอันเป็นยาพิษให้ผิดปกตินั้นเป็นเจ้าเรื่อง จิงตั้งก่อแต่เรื่องแต่ราวภายในจิตใจของตั้ของเราของท่านอยู่เสมอแม้ผู้ปฏิบัติธรรมที่จะตั้งใจจะกําจัดสิ่งเหล่านี้ออกไปจากใจอยู่แล้วก็ยังไม่พ้นจากสิรบการร บ, บวนจากสิ่งเหล่านี้เสมอมาเมื่อมีสาเหตุให้รักให้ชังให้เกลียดให้โกรธยิงต้องมีอุบายวิธีการ แก้ไขถอดถอนสิ่งเหล่านี้ด้วยการพิจารณาเช่นรักในสิ่งนั้นเกลียดในสิ่งนี้เพราะเหตุใดรจรึงต้องรักจึงต้องเกลียดจึงต้องโกรธพิจารณาคลี่คลายสิ่งที่ว่ารักว่าเกลียดว่าโกรธนั้นดูแล้วก็ย้อนเข้ามาดู ผู้ที่ไปเพ่งเล็งผู้ที่ไปรักไปเกลียดไปโกรธกับสิ่งนั้นๆหรือบุคคลนั้นๆให้เห็นชัดเจนทั้งข้างหน้าข้างหลังคือสิ่งที่ถูกรักสิ่งที่ถูกเกลียดถูกโกรธและผู้ไปรักไปเกลียดไปโกรธสิ่งนั้นมีความจำเป็นต่อกันอย่างไรถึงต้องไปเป็นเช่นนั้นขึ้นมาถึงต้องไปเกี่ยวข้องอยู่ตลอดเวลานี่คืออุบายของปัญญา ิเช่นแรกที่จะให้นนกเกิดราคะตัณหาขึ้นภายใ น, นจิตก็ต้องหมายถึงรูปที่ตรงเงินข้ามที่เรียกว่าวิสาขกันเป็นส้าผัญการพิจารณาจะให้ถอดถอนความรักนี้จึงต้องแยกดูให้เห็นชัดเจนว่ามันน่ารักที่ตรงไหนน่าชอบใจที่ตรงไหนนี่คืออบายของปัญญา ที่คลายเข้าไปดูสิ่งนั้นๆให้เห็นชัดเจนหลายครั้งหลายหนจิตย่อมเกิดความซึ้งความเข้าใจด้วยอุบายของปัญญาแล้วถอดถอนตนเข้ามาได้โดยลำดับความรักก็เพลาลงไปผ่อน ล, ลงไปไความรักความชังเมื่อสิ่งหนึ่งผ่อน ม, มันย่อมผ่อนไปตามๆกันความเกลียดความโกรธก็ผอนไปตามๆกัน จนผลสุดท้ายสิ่งที่ไปรักไปเกลียดไปโกรธนั้นก็เป็นสภาพแห่งความจริงอันหนึ่งอันหนึ่งเท่านั้นไม่เห็นมีอะไรนอกจากผู้นี้ไปเป็นแท้เองไปรักไปชอบไปเกลียดไปโกรธเพื่อความโง่เงาโง่เขาปัญญาความโง่เงา่งเงาเขาปัญญาของตอนเท่านั้นจิตก็ทราบทั้งภายนอกทราบทั้งตัวเป็นผู้ไปก่อเหตุ และทราบทั้งวิธีแก้ไขถอดถอนสิ่งเหล่านี้จิตก็เริ่มก้าวเข้าสู่ความเป็นปกติโดยลำดับสิ่งกวนใจทั้งหลายเหล่านี้ก็มีน้อยลงเพราะการกันกรองอยู่เสมอจนผลสุดท้ายสิ่งภายนอกถูกคิดนิดพิจารณา จนเข้าถึงขั้นความจริงแล้วปล่อยวางเข้ามาได้โดยลำดับจนกระทั่งปล่อยวางได้โดยสิ้นเชิงเพราะอุบายของสติปัญญาผู้พิจารณาแก้ไขถอดถอนอิจย่อมเข้าสู่ความเป็นตัวของตัวได้โดยลำดับคำว่าความสงบ ก็คือสงบจากสิ่งที่กล่าวนี้ไม่ถืออารมณ์ใดเข้ามายุ่งกวนใจไม่ถือรูปใดเสียงใดกลิ่นใดรสใดสี่ตึ่งอยู่ภายนอกเข้ามาเป็นอารมณ์เครื่องกวนใจเทาะใจที่จะนารู้แจ้งเห็นจริงสิ่งเหล่านั้นแล้วต่างอันต่างอยู่ใจก็ไม่เอื้อมออกไปยึดไปถือไปสำคัญมั่นหมายไปตำหนิติชมสิ่งต่างๆ ด้วยความขนองของตนเพราะสติปัญญารู้รอบขอบคิดความขนองอันนี้แล้วแล้วก็รู้ชอบในสิ่งทั้งหลายภายนอกนั้นด้วยแล้วจิตที่เคยคึกขนองก็กายเป็นจิตซึ่งที่สงบขึ้นมาเปลี่ยนอาการของตนเข้าไปเรื่อยๆสู่จากความคึกขนองเข้าเป็นความสงบ คึกขนองในรูปในเสียงในกลิ่นในรสเครื่องสัมผัสต่างๆผ่านกันเข้ามาผ่านเข้ามาลึดถอนตัวเข้ามา ด, ดูลําดับกลายเป็นจิตที่สงบตัวไม่คึกขนองเพียงเท่านี้จิต ก, ก็มีความสุขสงบเย็นมีอุบายที่จะพิสูจนหรืออุบายพิสูจนเพื่อรู้ความจริง ให้เห็นกันตามความจริงในหลักธรรมชาติพิจารณาอย่างนี้ <c oughs> จิตเมื่อมีความสงบความเย็นความสบายความสุขให้ต้องถามเพราะสิ่งเหล่านี้อยู่กับความสงบเนื่องจากไม่ก่อกวนตัวเองและไม่ยุ่งกับสิ่งใดๆต้องพิจารณารอบแล้ว จิตเริ่มเข้ามาเป็นตัวของตัวพอพูดถึงสมาธิก็เริ่มมีฐานแห่งสมาธิเริ่มมีฐานแห่งความสงบเมื่อมีความสงบความร่มเย็นก็มีอิตใจที่เคยทายแสยกับสิ่งภายนอกถือมาเป็นอารมณ์ถือมาเป็นเครื่องยึดเครื่องถือเครื่องอเผาผลาญตนเอ ง, งทั้งๆที่ทททสําคัญมาสิ่ง น, นั้นดีแต่ผลต้องมันมาเาผาผลาญตนเองมันก็ปล่อยลงไปได้โดยลำดับ ทางท่านสอนให้พิจารณาร่างกายแอนป็นสําคัญในขั้นขั้นราคาตันหาท่านให้แยกแยะดูตั้งแต่ข้างนอกผิวหนังเข้าไปจนรทั่งถึงเนื้อถึงเอ็นถึงกระดูกภายในทุกสะทุกส่วนแยกดูแล้วมันมีแต่สิ่ง น, นั้นสิ่ง น, นั้นสิ่ง น, นั้นหาความที่น่ารักน่าชอบใจน่ากำหนัดยินดีตรงไหนไม่มีเลยมันคิดไปแบบลมๆแรงๆ สำคัญมั่นหมายเปแบบลุลุลงแรงๆหาความจริงไม่ได้มันก็รู้ด้วยปัญญาของตนปัญญาซึ่งเป็นของจริงสามารถที่จะกำจัดสิ่งที่ปลอมทั้งหลายโดยความสำคัญต่างๆนั้นออกได้ดูลำดับจนกลายเป็นความจริงขึ้นมาด้วยกันเมื่อจิตได้ปล่อยได้คลายจากสิ่งทั้งหลายเหล่านี้แล้วก็เบาเบาในตัวเองเพราะไม่ยึด อุปาทานแปลว่าความยึดแปลว่าความแบกความหามภาระสิ่งเหล่านั้นเป็นภาระของจิตเมื่อจิตเข้าไปแบกหามต้องเป็นทุกข์ต้องหนักเมื่อถอนตัวออกมาแล้วย่อมเบาถอนออกไปเป็นขั้ น, นตอ น, ต, อนตามกําลังของสติปัญญาหรือขั้นของสติปัญญานี่จะเรียกว่าเป็นการพิสูจน์วัดอจักรคือความหมุนเวียนแห่งความเกิดแก่เจิดตายของจิตของตัวนี้ ก็ไม่ผิดเพราะเป็นสัตยธรรมอันเดียวกันนี่เป็นอาการแห่งความหมงเวียนดังที่กล่าวมานี้รักให้ชังให้เกลียดให้โกรธนี้มันเป็นสหายกันกับความท่องเที่ยวเพราะความหลงความหลงรักหลงชังก็คือความหลงเมื่อรู้สิ่งเหล่านี้ตามความเป็นจริงแล้วก็ต่อยเข้ามาสลัดตัดทิ้งไปโดยลาดับ เมื่อฉลัดเข้ามาโดยลำดับสิ่งใดที่มีความสัมผัสสัมพันธ์ความดูดด่งที่ยังไม่เข้าใจยังไม่รู้ไม่เห็นจิตใจย่อมมีความจดจ่อกับสิ่งนั้นอยากรู้อยากเห็นสิ่งนั้นด้วยการพินิจพิจารณาอีกเช่นเดียวกันย่อมจะพ้นความสนใจนี้ไปไม่ได้จึงต้องพิจารณาเช่นทุกเวทนา กายของเราทุกส่วนนี่เป็นเพียงรูปเป็นร่างเพียงรูปเพียงร่างเป็นหนังเป็นเนื้อเป็นเอ็นเป็นกระดูกท่านั้นไม่ใช่เป็นตัวทุกไม่ใช่เป็นตัวสุขอันตัวทุกขกับตัวสุขนั้นมันเป็นเวทนาสุขเวทนาทุกเวทนาซึ่งอาศัยสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นแต่ไม่ใช่สิ่งเหล่านี้นะสติปัญญาอย่างลงไปถ้าเห็นทั้งรูปคือร่างกายอันนี้ ถ้าเห็นทั้งสุขเวทนาอทุกขเวทนาที่ปรากฏขึ้นจากร่างอันนี้ว่าเป็นส่วนหนึ่งหนึ่งเป็นสิ่งหนึ่งหนึ่งของแต่และอย่างเลยอย่างคือรูปปักขันเวทนาขันแยกแยกดูตามความจริงของมันอ้าวอันไหนจะเป็นทุกข์มีไหมดูอะไรก็ไม่เห็นมีทุกข์เมื่อแยกให้เห็นตามความจริงแล้ว กายไม่ใช่ตัวทุกอทุกก็ไม่ใช่กายเวทนาคือมีทุกขเวทนาเป็นต้นก็ไม่ไม่ใช่กายกายก็ไม่ใช่เวทนามันต่างอันต่างจริงแต่ข้อยางอย่า ง, างซึ่งอาศัยกันเกิดขึ้นเท่านั้นนี่คือการอุบายวิธีการตัดกะระแสของวัตตะที่จะพาให้หมุนเย็ยน ไปเกิดแกเก็บตายในพบน้อยพบใหญ่ตัดอย่างนี้ตัดเข้ามาการพิจารณาเช่นอย่างพิจารณารูปพิจารณาเวทนาสัญญาสังขารเห็นอย่างนี้ขออย่าได้คาดคะเนสําหรับนักปฏิบัติทั้งหลายเพราะสิ่งเหล่านี้อยู่ด้วยกันขณะใ ด, ดถนัดกับอาการใดพิจารณาอาการนั้นใต้เต็มตามความต้องการ ไม่ต้องไปเรียงลำดับลำดาแห่งการพิจารณาว่าพิจารณารูปแล้วจะต้องพิจารณาเวทน า, นาแลวพิจารณาสัญญาสังขารนยิยานั่นท่านเรียงไว้เฉยๆการพิจารณาจะพิจารณาจุดใดอาการใดของขันเป็นสัจธรรมด้วยกันเป็นความถูกต้องด้วยกันเพราะเราพิจารณาด้วยปัญญาด้วยกันพิจารณาให้เห็นชัด คำว่าสัญญาก็คือความวา่าดภาพความสาคัญมั่นหมายเป็นอาการอันหนึ่งที่ค่อยกระจายตัวเอาไปจากอีกไปเป็นเรื่องเป็นราวไปยึดนั่นสาคัญนี้สิ่งเหล่านี้ก็คือความเกิดความดับ อ, อันเดียวกันกับสิ่งที่กล่าวมาคือกายเวทนา ความคิดความปรุงทั้งหลายก็เป็นอาการอันหนึ่งเท่านั้นเท่านั้นที่เรียกว่าสังขารคือความคิดปรุงภานในใจเหมือนกับแสงหิ้งห้อยพอแยบแล้วดับไปดับไปคิดเท่าไรดับเท่ากันไม่มีมากน้อยกว่ากันความเกิดความดับเกิดขึ้นพร้อมกันดับพร้อมกันพอเกิดภาพดับไปพร้อมดับไปพร้อมถือเป็นสัตว์เนบุคคลเป็นเราเป็นเขา เป็นสาระแก่งสารได้ที่ตรงไหนสิวันนี้เป็นอาการอันหนึ่งเท่านั้นถ้าหลงก็เป็นพิษเป็นภัยได้ถ้าไม่หลงก็สับแต่ว่าอาการไม่เป็นพิษเป็นภัยต่อผู้ใดเวียนญาณคือความรับทราบในขณะที่รูปกระทบตาทราบว่ารูปเสียงกระทบหูทราบว่าเสียงกลิ่นกระทบจมูกทราบว่ากลิ่น ดังนี้เป็นต้นแต่และอาการอาการที่ทราบนั้นก็ดับไปพร้อมๆกันกับสิ่งที่มาสัมผัสนั้นดับไปแล้วสาระที่จะถือจากสิ่งที่มาสัมผัสและความรู้ที่เรียกว่าวิญญาณนั้นอันมีแต่ความเกิดความดับนั้นจะเป็นสาระได้อย่างไรเป็นเราเป็นของเราได้อย่างไรไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราตั้งนั้นมันเป็นอาการอันหนึ่งหนึ่ง ที่เกิดขึ้นดับไปเกิดขึ้นดับไปสร้างหลับตามหลักธรรมชาติของเขาในขณะที่มีสิ่งมาสัมผัสมันก็ปรากฏขึ้นมาเมื่อสิ่งสัมผัสนั้นผ่านไปมันก็ดับไปพร้อมๆกันเราเจ้าสิ่งที่เกิดดับเกิดดับมาเป็นตัวของเราเราก็คือตัวเกิดดับตัวทุกข์การตัวทุกข์ตัวทุกข์ตัวอนิจจังตัวทุกขังนัตตาอันเดียวกันเราหาที่อยู่ที่ วางตัวได้ที่ไหนที่ปรุงใจได้ที่ไหนมันเป็มพละกรลังอย่างทุกขาราตตาซึ่งเป็นเหมือนกุมจับหมุนไปเปลี่ยนมาอยู่เช่นนั้นนี่คือปัญญาพิจารณาการพิจารณามีวงแคบเข้ามาจากวงกว้างดังที่กล่าวไปแล้วนั้นนี่คืออุบายวิธีที่จะตัดกระแสของวัตต์ได้แก่ความหมุนของใจมีอะไรพาให้หมุนเมื่อ รูปหรือว่ารูปเสียงกลิ่นรถเครื่องสัมผัสก็ตัดมาได้ได แ, แ, แ, แล้วด้วยการพิจารณาของปัญญาภาคนั้นขั้นนั้นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็ตัดขาดไปแล้วด้วยสติปัญญาขั้นนี้ขั้นนี้ขั้นนี้สิ่งที่ความยึดมั่นถือมั่นในรูปกายของตัวเองในเวทนาคือความสุขทุ ก, ทกเฉยเฉยทั้งทางร่างกายของตัวเองก็รู้เท่า แต่ทางจิตใจก็กําลังจะซึมซาบเข้าไปเพื่อความรู้เท่าเชียมเดียวกันสัญญาสังขารมิญญาณก็เป็นแต่ละอาการอาการเป็นเราเป็นห้องล้าได้อย่างไรเป็นเพียงเงาเท่านั้นเงาของจิตเหมือนกับเงาที่มีอยู่กับตัวของเราเวลามีแสงสว่างเข้ามากดเงาขึ้นมาเมื่อใจสว่างก็เห็นเงาของตัวเองไม่ใช่ว่าเห็นว่าเป็นตนเป็นตัวแต่ก่อนเราเข้าใจว่าเป็นตนเป็นตัว เป็นเราเป็นของเราเขียนรูปก็ว่าเป็นเราเป็นของเราเวทนาสัญญาสั้งขามนุษ ญ, ญาณความสุขความทุกข์เฉยเฉยจำได้หมายรู้ความคิดความปรุงแต่งต่างๆการรับทราบทางอริยปณะทั้งหกภายนอกภายใน ก, กระทบกันเล่าก็เหมาว่าเป็นเราเป็นของเราจะทั้งนั้นเพราะตอนนั้นมันกําลังมืดนั่นไม่มองเห็นเงาเล็กถือว่าเป็นเราไปใช่หมดเฮ้ยพอปัญญาได้สว่างกระกาจ่างแก้งขึ้นมาสิ่งเหล่านี้เห็นได้ชัดว่าเป็นเพียงเงาเท่านั้น ไม่ใช่ตัวจริงแล้วก็ปล่อยเข้ามาปล่อยก็คำว่าปล่อยเข้ามานี้ปล่อยเข้ามาด้วยความรู้แจ้งเห็นจริงจริ ง, รงไม่ใช่กาหนดปล่อยกาหนดวางเฉยๆเหมือนเราวางสิ่งนั้นวางสิ่งนี้เพราะกิเลสไม่ใช่ท่อนไม้ท่อนฟืนพอเราจะปล่อยวางได้อย่างงา่ายๆแต่จะต้องพิจารณากันนี่เห็นตามความจริงของมันแล้วมันเข้า ปล่อยวางแล้วหมดกำวนกันไปเองที่หลบซ่อนที่ท่องเที่ยวของกิเลสจะออกไปทางตาทางหูทางจมกูกทางลิ้นทางกายสู่รูปเสียงกลิ่นโน้เครื่องสัมผัสก็รู้เท่าแล้วทั้งรูปเสียงกลิ่นรน้เครื่องสัมผัสและรู้เท่าแล้วทั้งตาหูจมกูกลิ้นกายว่าเป็นแต่อาการหรือเป็นแต่เงาอันหนึ่งหนึ่งเท่านั้นไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวจิ แล้วมันตัดเข้ามาโดยลำดับึงกระทั่งถึงเข้ามาหากองรูปเวทนาสัญญาสังขารบิญญ า, ญญามันก็เป็นแต่ละอาการอาการเท่านั้นหาเราของเราที่ไหนมหีแล้วรู้ชัดด้วยปัญญาแล้วปล่อยวางลงไปความปล่อยวางลงในจากสิ่งใดสิ่งนั้นก็หมดกมดังวลเช่นปล่อยวางรูปเพราะรู้เท่ารูปแล้วด้วยปัญญาปล่อยวางเวทนา สุกทุกเย่เฉยภายในร่างกายก็เพราะทราบได้ว่าเวทนาเป็นสัตว์แต่ว่าเวทนากายสัตว์แต่ว่ากายประจับใจแล้วหรือประจับปัญญาแล้วสัญญาสังฐารวิญญาณแต่ละอาการอารการก็ทราบว่าเป็นเงาของกิตอยู่แล้วไม่ใช่จิตจึงต้องปล่อยเงาไม่ใช่ตัวจริงปล่อยปล่อยโดยหลักธรรมชาติที่เข้าใจแล้วเมื่อปล่อยเข้าไป การค้นคว้าดูวัตจักรวัตจิตที่หมุนเย็ยนไปพาให้เกิดแจกเก็บตายมันก็เป็นวงแคบเข้าไปวงแคบเข้าไปนี่คือการพิสูจน์คือการวิธีการที่จะรื้อถอนพบรื้อถอนชาติความเกิดแจกเก็บตายที่มีประจามจิตรื้อถอนด้วยอุบาของสติปัญญาอย่างที่กล่าวมานี้แล้ววกวนเข้าไปวกวนเข้าไปวงแคบเข้าไปจนกระทั่งถึงตัวจิต อเมื่อจิตปล่อยวางอาการทั้งหลายแล้วมีแต่ตัวของตัวย่อมจะมีแต่ความสว่างสวยัยมีแต่ความเบามีแต่ความองอาจกล้าหาญมีแต่ความสุขความสบมายชนิดที่ละเอียดมากที่สุดไม่มีความสุขความสบายใดในร่างกายแบบนี้จะเหมือนแล้วไม่ติด ไม่เกี่ยวข้องกับสิ่งใดแม้ที่สุดร่างกายที่อยู่ด้วยกันก็ทราบว่าร่างกายนี้เป็นศัตว์แต่ว่าเรือนร่างอันที่อาศัยของความรู้นี้เท่านั้นแต่ไม่ใช่ผู้รู้นี้เป็นศัตว์แต่ว่าร่างเรือนร่างของจิตแต่ไม่ใช่จิตเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณทั้งทา ง, ทงร่างกายและจิตใจก็เป็นแต่เพียงาอาการอันหนึ่งที่เกิดขึ้นจากจิตแต่ไม่ใช่จิตน่ะสัญญาสังขารวิญญาณ เหล่านี้ก็เป็นตะเกียงอาการอันหนึ่งของจิตเท่านั้นไม่ใช่จิตจิตรู้ชัดเจนแะเหลือแต่ความรู้นี่เรียกว่าวัฏจิตนั้นถูกตัดขาดเข้ามาตั้งแต่ลากฝอยรอบตัวตัดวงเป็นวงรอบเข้ามาวงรอบเข้ามาลากฝอยได้แก่ความแตกแขนงของจิต ที่คิดไปในทางรูปทางเสียงทางฝินทางลดเครืร่องสัมผัสและนักทางโกรธเกลียดสิ่งเหล่านั้นตัดขาดออกมาเป็นลำดับในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี่ก็เป็นลากปลอยแคบเข้าไปตัดขาดเข้าไปเข้าไปจนกระทั่งถึงรากแก้วได้จะกิตนั่นแหละที่นี่ คำว่าเชื้อของจิตเชื้อที่จะพาให้จิตไปเกิดไปตายในภพชาติน้อยใหญ่นะั้อะไรอยู่ที่ไหนคืออะไรอยู่ที่ไหนก็คือตัวรู้รู้ที่อยู่กับจิตกลมคืนเป็นอันเดียวกันอยู่นั้นแหละในขณะที่ปัญญายังไม่แทงทะลุให้ขาดสะ บ, บั้นลงไปได้ย่อมจะถือสิ่งนี้ว่าเป็นเราเป็นของเราเป็นธรรมดาของจิต แต่ถือก็ถือเฉพาะผู้ไม่ได้ถือในรูปเสียงกลิ่นนวดเครื่องสัมผัสไม่ได้ถือว่าไม่ได้ถือกูศลศานาสังฆสังฆบิณญาตว่าเป็นตนเพราะขาดมาแล้วสิ่งเหล่านี้ขาดตอนไปหมดแล้วยังเหลือแต่จิตกับธรรมชาติที่แทรกกันอยู่ประหนึ่งมากกลมกลืนเป็นอันเดียวกันจิต ก, กับกิเลสประเภทนี้เป็นอันเดียวกันกิเลสประเภทนี้กับจิตเป็นอันเดียวกันมีเท่านั้นพอทนปัญญาไปไม่ได้ เมื่อขาดจากความสืบต่อกับสิ่งทั้งภายนอกจนกระทั่งในขันเรียบร้อยแล้วยังเหลือแต่จิตนั่นคือยังเหลือแต่อวิชชาอาวิชชา ท, ท่านเรียกว่าเชื้อเชื้อแห่งวักฏะนี่อยู่ที่จิตนี้ ปัญญาพิจารณาลงไปที่จุดนั้นความสว่างคืออะไรดูให้ดีว่าความสุขสุขอะไรเป็นสุขอวิชชาหรือเป็นเป็นสุขวิชาสุขสมมุติหรือสุขพิโมะปัญญาย่อมจะหมุนตัวอยู่ตลอด แยกแยกสัมผัสสัมพันธ์กันในขณะที่กระเพื่อมตัวออกคิดและสงบตัวจากความคิดลงไปสู่ความรู้อันเป็นหนึ่งเดียวกันกับกิเลสกิเลสเป็นหนึ่งอเดียวกันกับธรรมเอากับจิกย้อนกันไปมาพินิจพิจารณาเช่นเดียวกับสิ่งภายนอกคือมีอันนี้จังทุกขรณตตาเป็นหลักแห่งการพิจารณา เป็นแต่เพียงว่าเป็นต ร, รักะอันละเอียดตามส่วนของสมมติอันละเอียดหรือกิเลสอันละเอียดเท่านั้นปัญญาก็เป็นขั้นอันละเอียดไปตามๆกันฟาดพันหันแหลกกันลงมาด้จุดนั้นจนกระทั่งกิเลสซึ่งหุ้มห อ, อ ก, กับจิตประหนึ่งมาเป็นหนึ่ ง, นนงอันเดียวกันนั้นแตกกระจายออกไปคือเชือ้อเชื้อเดิมที่จะที่พาให้สัตว์เกิดจากเจิดตายอยู่ไม่อยู่ไม่ถอยไม่เลิกไปแล้วทุกทีคือนั้นเอง เมื่อปัญญาได้ฟาดปันหันแหลกกันลงไปที่นั่นแล้วธรรมชาตินั้นแตกกระจายออกจากกิตเป็นเหมือนประหนึ่งเหมือนกับว่าถอนนาคแก้วขึ้นมาเพื่อเดียวเท่านั้นแล้วต้นไม้ต้นนั้นกิ่งก้านสาขาดอกใบมันจะตายไปพร้อมๆกันมเมื่ออวิชชาอันเป็นเชื้อเดิมของวัฏจิตวัฏจักรได้สลายลงจากจิจเพียงขณะเดียวเท่านั้น นั่นแหละที่ท่านว่าวิวัตกิตที่นี่ความไม่หมุนเวียนเกิดแจ่เจ็บตายต่อไปอีกแล้วคือจิตที่บริสุทธิ์บริสุทธิ์จากกิลเลสทั้งหลายทั้งปวกมีอวิชชาเป็นต้นนี่หลักการที่สุดจิตแค่ที่สุดให้เห็นอย่างนี้เลยเมื่อถึงขั้นมันหมดเชื่อซะจริงๆแล้วทำไมจะไม่ทราบว่าจิตนี้หยุดแล้วจากการหมุน อีทธนี่หมดหยุดแล้วจากการสืบต่อกับสิ่งทั้งหลายแม้จะมีอยู่ด้วยกันเคยอาศัยกันมาตั้งแต่วันเกิดจนมาทั้งบัดนี้หรือตั้งหลึกดำบรรพมาจนทั้งบัดนี้มันก็ทราบชัดว่าบัดนี้ได้ขาดตัดสะพานขาดจากกันหมดแล้วระหว่างสมมุติกับวีมุดไม่ได้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเลยขาดสะพานออกจากใจหมดแล้วนั่นแหละการตัดสินใจด้วยความแน่ใจของตนเองว่าตั้งแต่บัดนี้ ความเกิดอีกของเราจะไม่มีอีกแล้วเพราะเชื้อที่พาให้เกิดจเจ็บเจ็บตายอยู่มือยูเมถอยได้ถูกถอนพวดขึ้นมาแล้วจากอีกเหลือแต่วิมุตติกิจเท่านั้นเองเป็นกิจที่บริสุทธิ์ล้วนๆนี่แหละความเกิดจเจ็เจ็บตายนั้นมันเป็นทุนอันหนึ่งเท่านั้นอันนี้เป็นเชือ้อเป็นเหตุอันสําคัญพาให้สัตว์โลกเกิดจเจ็เจ็บตาย คืออวิชาปัจจาสร้างข้าราสร้างข้าราปาัจจายืนยันหนังจนกระทั่งสมุทรโยโหติแล้วก็ย้อนกลับมาเป็นนิโรโทโหติดับตลอดสายพมาเมื่อดับอวิชาแล้วมันดับไปหมดเหมือนกับถอนรากแก้วแล้ว อ, อกิ่งก้นกานสาขาต่อไปของต้นไม้มันถอนมันตายไปหมดด้วยกันพ ม, มาเหมือนอย่างนั้ น, นการพิสูจน์อิทพิสูจน์ตรงนี้พิสูจน์วิถีนี้ แล้วที่นี่คำว่าบริสุทธิ์บริสุทธิ์ที่ตรงไหนก็ไริสุทธิ์ที่จิตนี้เท่านั้นเพราะจิตเป็นผู้ไม่บริสุทธิ์เป็นผู้ถูกบังคับบัญชามาด้วยวิเลตต์ประเภทเนี้ที่มีอำนาจเหนือจิตบังคับจิตจึงเป็นเหมือนกับผู้บอลถูกเตะกิ้งโน้นกิ้งนี้อยู่ไม่หยุดไม่ถอยกลิ้งไปพบนั้นกลิ้งไปพบนี้พบน้อยพบใหญ่พบไหนพบจิตไปไม่ได้ไม่มีขอให้มีบาปดีชั่วพาให้เป็นไปเถอะ <c oughs> เป็นไปได้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับวิบัติคือผลแห่งความดีความชั่วที่มีในจิจนั้นและมีอวิชชาเป็นตัวการผลักดันางสําคัญที่จะให้ทําดีทําชั่วท่านจะเรียกว่าวัตตะกิเลสสวัสดสามนะท่านบอกกิเลสเป็นเหตุให้ทํากรรมนะกิเลสคืออะไรเป็นเหตุให้ทํากรรมก็อวิชชา เ, เป็นเหตุให้ทํากรรมดีชั่วเมื่อทํากรรมแล้วผลทางกรรมย่อมเกิดขึ้นย่อมเกิดขึ้นย่อมทําให้สัตว์ไปเกิดใน ที่สูงสูงต่ำต่ำรา่นรุ่นรุ่นดอนมีสุกมีทุกเกี่ยวเปลี่ยนไปตลอดวกเกียกันไปกันมาเหมือนกับมดแดงไตขอบด้งทันวะนั่นตายมาที่ไรก็มาเห็นแต่ขอบด้งเก่าแต่ไม่ทราบเป็นเป็นขอบด้งของเก่าแล้ววกไปเย็นมาเกิดแล้วเกิดเล่าตายแล้วตายเล่าซ้ำซ้ำทากทราบด้วยการเกิดตับและภพชาติของตนก็ไม่ทราบว่าตนได้เคยเกิดมากี่พวกี่ชาติมันก็เหมือนมดแดงใตขอบด้งนั่นเอง ทีนี้พอได้ตัดเชื้อของมันให้ขาดสะพันลงไปหมดแล้วกิตหมดแล้วจากการหมุนเพราะไม่มีอะไรเข้ามามีอำนาจอีกแล้ว <c oughs> สิ่งที่เคยมีอำนาจเหนือจิตก็ได้แก่กิดเลสประเภทที่ว่าวิชาได้ขาดสะพันลงไปแล้วจิตจึงเป็นอิสร ะ, ะเป็นความบริสุทธิ์เต็มตัวนั่นละการเกิดยุติกันตั้งแต่บัดนั้นขาดสะพันกันลงไปเหลือแต่ความบริสุทธิ์ด้วน นี่การพิสูจน์ความเกิดความตายที่มีอยู่ในเราทุกคนให้พิสูจน์อย่างนี้พิสูจน์อย่างอื่นไม่ได้ไม่รู้ไม่เห็นถ้าพิสูจน์อย่างนี้แล้วแน่เป็นลำดับทรรมดาไปจนกระทั่งถึงแน่ร้อยเปอร์เซนต์ว่าจะไม่ผิดอย่างนี้จะเป็นความจริงเต็มส่วนของจริงนั่นนะที่นี่ความทุกข์ที่เคยแบกหา ม, มามากน้อย โดยความยึดมัน่นถือมั่นความรักความชังความเกลียดความขูดซึ่งเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ทั้งนั้นก็ปกเพื่องกันลงไปหมดโดยสิ้นเชิงไม่มีเหลือร่างกาก็เป็นแต่เพียงว่ากา ก, ากของวิบากเท่านั้นเมื่อถึงการแล้วมันก็สาลงไปได้เช่นเดียวกับสภาพทั่วๆไปพระมันอยู่ในกฎของนิจังทุกขังนาตามันต้องเดินไปตามกฎ จิตที่นอกเหนือไปจากกฎในจังทุกครั้งตาแล้วก็อยู่ตามความจริงของตนไม่เข้าเกี่ยวข้องไม่ไปเกี่ยวข้องกับกฎของสมมติเพราะเป็นสมมติแล้วนั่นคือผู้พ้นภัยพ้นโลกพ้นตรงนี้โลกคืออะไรมันอยู่ที่ไหนคําว่าโลกนั้นก็คือกิเลสนั่นแหละเป็นโลกเมื่อได้ทําลายสิ่งเหล่านี้หมดแล้วจะอะไรมาเป็นโลกได้อีก จิตเป็นธรรมทั้งดวงธรรมกับจิตเป็นอันเดียวกันแล้วท่านยังวัดธรรมโอปปีโปความสว่างกระจ่างแจ้งในจิตที่ปราศจากแล้วจากที่เด็กเป็นความสว่างกระจ่างแจ้งไม่มีสิ่งใดเสมอเหมือนในโลกทั้งสามนี้เนี่ยท่านก็บอกไว้แล้วอย่างนั้นของเราจะหาความสว่างจากไหนความสว่างจากพระอาทิตย์ก็เป็นพระอาทิตย์เวลาพระอาทิตย์อัสดงลงไปแล้วมันสว่างได้อย่างไร สว่างด้วยไฟเมื่อไฟดับลงไปเอาความสว่างมาจากไหนถ้ามาเอาความสว่างจากปัญญาเอาความสว่างจากปัญญานี้แทงทะลุไปหมดพระอาทิตจะขึ้นพระอาทิตจะตกไม่สำคัญแสงฟืนแสงไฟจะมีมากมีน้อยหรือไม่มีไม่สำคัญขอให้แสงสว่างภายในปัญญานี้ได้กระจายตัวอไปเถอะกิเลสมันจะอยู่ที่ตรงไหนมันสามารถทราบสามารถเห็นสามารถรู้สามารถทาลายได้หมด แต่กระจาดไม่มีสิ่งใดเหลือเลยนัตถิปัญญาสมาอาภาแสงสว่างใดใก็ตามจะเสมือเหมือนแสงสว่างคือปัญญานี้ไม่มีท่านบอกว่าอย่างนั้นแล้วเป็นความจริงร้อยเปอร์เซ็แล้วปัญญาจะเกิดขึ้นจากผู้ใดจะเกิดเกิดขึ้นจากสถานที่ใดถ้าไม่เกิดขึ้นจากเราผู้พิเนปัญญาถ้าไม่เกิดขึ้นจากใจนี้ไม่มีสถานที่เกิดของปัญญามรรคผลนิพพานก็มีสถานที่เกิดดินเป็นดินน้ําเป็นน้ําลมเป็นลมไฟเป็นไฟไม่ใช่มรรคผลนิพพาน ไม่ใช่ตัวบุญตัวบาปไม่ใช่ในรกอาวิกีอันนั้นเป็นนั้นอันนั้นเป็นนั้นมีใจเท่านั้นเป็นสําคัญที่จะนับทราบสิ่งทั้งหลายตามหลักพุธิยถาทรงสอนไว้ใจเป็นภาชนะอันเอกสําหรับทมทั้งหลายไม่มีสิ่งใดที่จะทำหน้าที่แทนใจได้เลย การที่จะรู้การที่จะสัสสมผัสสัมพันธ์ธรรมมากน้อยเช่นบาปมีจริงใจเป็นผู้จะสัมผัสรับทรบาบยอมรับกันว่าบาปมีจริงบุญมีจริงใจเท่านั้นเป็นผู้จะสัมผัสรับทราบบุญนั้นว่ามีจริงนรกสวรรค์มีใจเท่านั้นที่จะรับทราบเป็นผู้สามารถที่จะรู้แทงทะลุไปหมดตาหูจมูกลิ้นกายไม่สามารถเพราะไม่ใช่วิสัยของเขามีใจเท่านั้นเป็นผู้สามารถถ้าทําให้สามารถ ถ้าทำให้อาภาพัพอาภาัพตลอดไปเราไม่ต้องการค้นความอาภาพัพไม่ต้องการความเป็นผู้อาภาพัพเราต้องการเป็นผู้มีความเศร้าสง่าผ่าเผยต้องการเป็นผู้มีความเฉลียวฉลาดให้รู้ทันปลนมายาของกิเลสตัวพาให้เห็นว่าตาเกิดธรรมะตสงสารจึงต้องผิดสติปัญญาขึ้นคตาความเปลี่ยนเป็น ม, มาให้เต็มผูกเราอยากเข้าใจว่ามรรคผลนิพพานอยู่กายากภาคทวิบนูนภาคทวิบนี้กิเลสดูกับหัวใจขันใด มรรคผลนิพพานคือความเตียนโล่งจากกิเลสท่างหลายก็จะปรากฏขึ้นที่หัวใจของผู้มีความเพียรและมีสติปัญญารอบตัวเช่นเดียวกันนี่เป็นหลักสำคัญสวรรกขาตัวมกรตาทรโมพระผู้เทียตาไม่ชอบแล้วไม่ได้บอกว่ามรรคผลนิพพานอยู่ที่ฟ้าที่ดินที่ดินน้ําลมไ่อากาศกลางหาวผู้ศรัทธทราบมรรคผลนิพพานรับทราบบาบารับทราบบุญรบบับทราบเรื่องของกิเลสคือใจดวงเดียดนี้เท่านั้นเอาให้จริงที่ตรงนี้นักปฏิบัติ เราไม่ยินใครจะกินในโลกนี้แล้วใครเป็นผู้ถูกกดขี่บังคับด้วยอำนาจของฝ่ายต่ําถ้าไม่ใช่ใจของเราอย่างเดียวใจเมื่องโง่แล้วก็ต้องถูกกิเลสครอบหัวใจถ้าฉล า, าดมากน้อยเก่งอะไรกิเลสต้องหลุดลอยไปหลุดไปฉล า, าดเต็มที่กิเลสถอนตัวหมดถูกทําลายหมดไม่มีเหลือความวิเศษวิสูจนไม่ต้องไปหาที่ไหนขอให้เห็นจิต ด, ดวงนี้ให้เต็มดวงเถอะทําเต็มดวงก็จะทราบกันในขณะนั้นไม่ต้องถามที่ไหน อยงเรียกว่าพอตัวถ้ายังถามที่นั่นนังสอบนั้นยังสอบนี่เรียกว่าไม่พอเอาให้ถึงความพอหลังแต่เรารับทานที่แรกมันก็หิวมากรับทานไปรับทานไปมันแค่ออิม่มโดยลำดับลำดับจนกระทั่งถึงอิ่มเต็มที่แล้วจะประยากไปหิวอะไรจริงเมื่อมันอิ่มเต็มที่แล้วจิตก็เหมือนกันความมีหิวปเป็นเรื่องของกิเลสยิงต้องได้แก้ความหิวนี้ออกด้วยอดด้วยทำนำธรรมเข้าไปเป็นอาหารของใจหล่อเลี้ยงจิตใจ ให้มีความแช่มชื่นเบิก บ, บานยิ้มแย้มแจ่มใสกลายเป็นความสง่าผ่าเผยขึ้นพารกิจใจจนถึงขั้นพอตัวเต็มที่พารกิจใจแล้วอยู่ไหนอยู่เถอะไม่ถามสวรรค์อยู่ไหนก็ไม่ถามถามพระสมัยนอกจากคนตาบอดเท่านั้นเลยไปถามสวรรค์ที่ไหนไห น, หนรกที่ไหนบาปที่ไหนบุญที่ไหนพระมรรคที่ไหนนิพพานที่ไหนเมื่อกิตได้สว่างกระจ่างแจ้งกันหมดแล้วมันตลอดทั่วถึงหมดแล้วจะไปถามหาใครถามที่ไหน อก็เหมือนจะว่าเราถามเงเราอยู่ที่ไหนอีกนั่นเอายถึงที่พระพุทธเจ้าสอนไว้อย่างชัดแจ้งแล้วทุกสิงทุกอย่างไม่มีอะไรเป็นปัญหาที่เท่าที่เป็นปัญหาก็คือจิตของเราที่มีกิเลสครอบหัวอยู่ท่านเองมันจึงมืดไปหมดสิ่งนั้นมีสิ่งนี้มีมันก็ไม่เห็นเพราะความมืดปิดไว้เมื่อความสว่างได้ปรากฏขึ้นมาแล้วสิ่งใดที่มีอยู่มากน้อยมันเห็นหมดนั่นแหละปิดไม่อยู่ เรียกว่าโล ก, กวิถูรู้แช่งโลกรู้แช่งอะไรโลกธาบโลกขันโลกความเกิดแก่เจ็บตายโลกที่เลสปัญหารู้รอบหมดถ้าลงได้ว่าเป็นโล ก, กวิถูแล้วรอบ ร, รอบตลอดทั่วถึงขอให้พากันตั้ง อ, อกตั้งใจบำเพ็ญ ป, ป, ปฏิบัติความมีคุณค่าของนักปฏิบัติดูกับความเพียรทุกเวลาให้มีคุณค่าภายในตัวเองอย่าให้เป็นโมฆะพิกษุทไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยนอกจากเป็นการเหยียบย่าทําลายตัวเองลงในขณะเดียวกัน กิเลสไม่เคยปล่อยช่องปล่โอกาสให้ใครนอกจากเราจะบุกมันเท่านั้นจะคอยให้กิเลสนอนหลับซะก่อนแล้วฆ่าหัวกิเลสไปมรรคผลไปสมนธิพา น, านยาบังเราจะไปคิดจะไปฆ่าให้เสียวเวลาไมานั่นคือคนหลอกลวงของกิเลสมันไม่เคยปล่อยใครแหละเหยียบหัวมันไปเลยสู้นไปเลยนัย่นชืเรียกว่า น, นักรคจะคอยให้กิเลสมันนอนหลับซะก่อนแล้วเราจึงจะฆ่ามหัวมันไปแล้วคอยกิเลสตาด้วยก่อนแล้ว ไปกุศลากิเลสมันไม่มีทางนะที่ไปกุศลากิเลสนอกจากกิเลสมันอ ก, กุศลธรรมมาภาคองค์นี้นะทำไมถึงโง่นั ก, น, ก, น, ก น, นั่นเท่านั้นเองอ๋อมันถึงใช่บุษณาธรรมมาแปลว่าความฉลาดสอนไข่พระพุทธเจ้าสอนไข่ท่านไม่ได้สอนคนตายท่านสอนคนเป็นเราต้องการความฉลาดอยู่แล้วเวลานี้ฝึกหดคิดสติปัญญามีหาหุงต้มแกงกินไม่ได้สติปัญญาเป็นหน้าที่จะต้องนํามาคิดพื่แก้มไขาสิ่งที่มันขัดข้องภายใจิตใจให้ทะลุปุ่งไปเท่านั้น เป็นเรื่องของตสติปัญญาเอาให้พอตัว เ, เมื่อพอตัวแล้วไม่ต้องถามแล้วอะไรก็เรียกว่าพอถามอะไรสอออะไรแสวงหาอะไรหิวอะไรอยากอะไรเมื่อพอแล้วนั่นความพอดีท่านเรียกว่ามัจจิ ม, มาในหลักธรรมชาติมัจจิ ม, มาคือข้อปฏิบตัติเป็นทางเดินเพื่อความพ้นทุกข์ก็เป็นมัจจิ ม, มาปฏิบัติให้พอดีพอเหมาะอกับกิเลสประเภทนั้นๆเมื่อปราบกันลงได้ด้วยหลักของมัจจิ ม, มาแล้ว ขนคือมรจิมาต์เป็นหลักธรรมชาติเสมอตัวอือยู่โดยความสม่ำเสมอหรือความเที่ยงแท้เป็นกลางตลอดเวลานั่นคือมชจิมาติธรรมชาติแท้ก็ได้เก็บคิดที่บริสุทธิ์แล้วนั่นแหละนะการดังทำก็ไมุ่มควรรู้สึกหน่วยฮ